การทําพิณายกรรมก็เป็นการเตรียมตัวตายพิธีหนึ่งนะเพราะว่าบางคนก็ตายไม่ได้เพราะว่าห่วงพิณายกรรมมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยจะเก็บไตาวายแล้แกก็รังตายมาหลายปีอายุก็เจ็ดสิบละแล้วแกก็รู้ว่ารัางไตได้อีกไม่นานวันหนึ่งแกก็เลย บอกลูกชายบอกว่าให้ไปเรียกทนายความมาจะให้ทนายความเขียนพินัยกรรมรูกก็ะแสนดีนะมองว่าการทําพินัยกรรมเป็นลางร้ายก็เลยแก้งลืมไม่ยอมเรียกทนายความมาสองสาเดือนหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าพอไปล้างไตปรากฏว่าเกิดใช่เลยในสมองแตกนะก็ปั๊มอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่สองวันไม่สําเร็จตายตอนที่ตายเนี่ยคนไข้ ผู้ตายเนี่ยแกหน้าตาน้านีพี่ขมวดสงสัยว่าหวงเรื่องพินัยกรรมนะัาการทำพินัยกรรมนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้เราไม่มีเรื่องข้างคาใจมากเดี๋ยวเราจะเริ่มทำข้อแรกก่อนนะเอาข้อแรกเราจะจัด ก, การทรัพย์สินของเราอย่างไรนะทรัพย์สินด้วยนะหนี้สินด้วยนะ อาจจะให้คิดสักไม่นานนะเพราะว่าเราเรามีเวลาไม่มากแล้วก็อีกอย่างหลายท่านนี่ก็ทรัพย์สินคนุ้เคยเยอะทั้งที่ดินทั้งหุ้นทั้ง อ, อสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ไปทำที่บ้านนะแต่ว่าตอนนี้คิดสักหน่อยนะเราจะจัดการทรัพย์สินอย่างไรนะพินันกรรมส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินนั่นแหละนะอันนี้เราคงคุ้นดีอยู อาจารย์นั้นข้อที่สองนะเราจะให้จัดการกับสิ่งใกล้ตัวครอบครัวนพ่อแม่ลูกสัตว์เลี้ยงอย่างไรอันนี้คือหลังหลังจากที่เราตายนะ ข้อที่สามงานการที่ยังค้างคาอยู่จะให้คนที่อยู่ข้างหลังเขาจัดการอย่างไร มีมียมคนหนึ่งนะจะเป็นคนธรรมะธรรมโมมากเลยจะชอบเป็นหวยด้วยหวยแรงพาคนไปทอดพระป่าทอดกระถินเพื่อหาเงินสร้างโบสถ์สร้างวิหารตามวัดในชนบทไกลๆก็ทำเยี่ยมมาเป็นสิบปีนะแล้วก็บทววิหารหลายวัดก็สร้างสำเร็จเพราะ การหาทุนหารลอนของแกเนี่ยวันหนึ่แกเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งก็ลุกลามมากถึงระยะท้ายเนี่ยแกพูดไม่ได้แกก็มีการกระสับกระส่ายลูกหลานที่ว่าแกเป็นคนธรรมธรรมโมถ้าได้ฟังเทปธรรมะพระสวดมนต์ก็คงจะสงบแต่ไม่ได้ผลนะเปิดเทปธรรมะพระสวดมนต์แกก็ยังกระสับกระส่าย ลูกหานก็แปลกใจจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาถึงนะพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแกก็ไปพูดข้างๆเตียงผู้ป่วยบอกว่าไอ้โบที่จะสร้างไม่เสร็จนะ่ะไม่ต้องห่วงนะเพราะเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จพอพูดเท่านี้แกหยุดเลยนะไม่กระสับกระส่า ย, ยกันนิ่งเลยแกว่าคําพูดนี้โดนใจก็สันนิษฐานว่าแกกระสับกระส่ายเพราะแกะยังห่วงเรื่องโบท แกเป็นคนที่รับผิดชอบสูงโบสถ์สร้างไม่เสร็จก็ยังปล่อยวางไม่ได้ที่จริงคนเราใกล้าตายนี่นะมันต้องปล่อยวางทุกอย่างนะแม้กระทั่งภาระหน้าที่ที่สำคัญเช่นโบสถ์เนี่ยการสร้างโบสถ์นี่ก็เป็นกุศลนะเป็นหมหากุศลเลยเนะี่ยแต่ว่าถ้ายังยึดติดถือมั่นเนี่ยไม่ปล่อยไม่วางมันก็ทำร้ายเจ้าของ แกคงไม่ได้จัดการกัเรื่องนี้นะไม่ได้คิดที่จะเคลียร์เรื่องนี้เพราะอ้บที่ามไ ม, ไม่เสร็จทำไงพอจะตายแล้วมันนึกถึงโบมันห่วงกังวลยังดีนะมีเพื่อนที่เข้าใจพอพูดอย่างนี้เขาแกสบายใจเหมือนก็ยกผู้เขาออกจากอกแกสุดท้ายแกก็ตายสงบงานเนี่ยสหรับบางคนเนี่ยนะถ้ามันไม่เคลียร์ไม่จัดการให้แล้วเสร็จก็ เป็นกังวลหรือถึงน่าจะไม่เสร็จนะแต่ว่าถ้ามีใครรับไปดูแลมันก็สบายใจนะข้อต่อไปนะข้อที่สี่ข้อนี้แหละที่เราเรียกวิธีในกรรมชีวิตหมายถึงว่าเป็นพิธีใกรรมที่ใช้ใช้ตอนที่เรายังไม่ตายพิธีใกรรมสามข้อแล้วเนี่ยมันมีผลบังคับใช้เมื่อเราตายไปแล้วแล้วข้อที่สี่เนี่ยมัน มันมีผลเมื่อเรายังไม่ตายยังมีงมีชีวิตอยู่จึงเลือกพินัยกรรมชีวิตนันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องคิดกันนะว่าถ้าเราอยู่ในระยะท้ายนะแล้วเราสื่อสารไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวไม่ได้เนี่ยเราจะให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไรให้เจาะข้อสายท่อปั๊มหัวใจใช้ยากรกะตุ้นความดันไหม หลายคนเขาเขาระบุไปเลยนะบางทีถึงกับสักไว้ที่ข้อมือที่หน้า อ, อกฝรันะ่งก็จะสักว่า d n r หรือว่า n r แปลว่า do not resuscitate หมายความไม่ต้องปัม๊มถ้าหัวใจหยุดเต้นไม่ต้องปัม๊มนะมีการสักแบบนี้เลยเพราะว่าเอกสารติดตัวบางทีมันก็ไม่มี สักเอาไว้เวลาจะปั๊ม้นมาเห็นสักที่หน้าอกก็แปลว่าเขาไม่ต้องการให้ปัม๊มเนี่ยแต่เราก็อาจจะไม่เป็นต้องทำาึงขนาดนั้นนะก็อาจจะเขียนเป็นพินัยกรรมชีวิตเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปอันนี้เป็นข้อที่คนไม่ค่อยได้นึกนะมันม า, มาราลึกได้ก็สายไปแล้วนะ ถูกเจาขคอถูกใส่ท่อแล้วก็ไม่มีค่าดึงออกแล้วเป็นประเด็นใหญ่มากนะตอนนี้ในในโรงพยาบาลหลายแห่งแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่สำหรับครอบครัวและครอบครัวที่พ่อแม่อยู่ในระยะท้า ย, ยาเสร็จแล้วก็พอถึงจุดวิกฤตว่าจะทำยังไง ส่วนใหญ่ก็จะเทปไปทางว่าให้ยื้อบอกหมอว่าทำเต็มที่ u l l option นะเพราะคิดว่าดีเพราะคิดว่านี่คือสิ่งที่ลูกกตันยูควรจะทำหารู้ไหมว่ามันเป็น้างความทุกข์ทรมานให้กับคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยนั้นถ้าเราไม่อยากเจอแบบนี้นะเราก็ต้องเขียนเอาไว้นะว่า อะไรที่เราอยากให้ทําหรือยอมไม่ทําอะไรที่เราไม่อยากให้ทําหรือไม่ยอมไม่ทําอะข้อที่ห้าจะให้ทําอย่างไรกับร่างกาย อ, อวัยวะของเรานจะให้เผาจะให้ฟังหรือว่าจะอุทิศร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่หรือว่าจะอุทิศอวัยวะเดี๋ยวนี้เอาไว้เดี๋ยวนี้ร่างกายเนี่ยหรืออาจารย์ใหญ่นี่ เรียวกว่าเหลือเฟือแล้วนะโรงโรงเรียนแพทย์หลายแห่งอย่างนี้เขาจะเริ่มเข้มงวดแล้วเขาจะเขาจะเลือกเฟ้นมากขึ้นว่าอ่าศพใดที่เป็นอาจารย์ใหญ่ได้ศพใดที่เขาไม่อยากเป็นอาจารย์ใหญ่เพราะอ่าซัพพลายมันเยอะแล้วแต่สิ่งที่ขายคืออวัยวะหัวใจตับปอดหรือตาม่านตาแก้วตา อันนี้อยู่ในความดูแลของสภากาชาติไทยอันนี้ขาด น, นะทั้งที่ผู้ป่วยหลายคนเนี่ยเขียนบริจาคอวัยวะไปแต่พอตัวเองตายเนี่ยลูกหลานเนี่ยไม่ร่วมมือไม่แจ้งสภากาชาติไทยนะเยอะมากนะไอ้คนคนตั้งใจอุทิศเยอะแต่ว่า ลูกหลานไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการเกิดการขาดแคลนยังไม่นักถึงว่าประเพณีความเชื่อว่าเดี๋ยวให้อวัยวะไปเดี๋ยวชาติหน้าจะได้อวัยวะไม่สมประกอบอันนี้ไม่ถูกนะไปเชื่อแบบ น, นี้ไม่ถูกถ้าเชื่อแบบ น, นี้ก็อย่าเผาเลยเผาศพอ่ะเพราะมันไม่เหลือเลยอ่ะใช่ไม้มถ้ า, ถาสภาพของศพเนี่ย ในชาตินี่มันมาส่งผลถึงร่างกายในชาตินาก็อย่าเผาศพเลยแต่นี่คือความเชื่อที่ทําให้หลายหลายครอบครัวเนี่ยก็ไม่ยอมไม่ยอมอแจ้งสภากาชาติไทยเพื่อให้สภากาชาติไทยมามารับเอาเอวัยวะอีกอย่างหนึ่งก็เอวัยวะบางอย่างเนี่ยมันจะมันจะดีก็ต่อเมื่อหัวใจยังไม่หยุดเต้นะ คนก็คิดว่าหัวใจยังเต้นอยู่เนี่ยจะจะดีไม่จะเอาอาวิวาไปแม้สมองจะตายนะตามกฎหมายก็ถือว่าตายแล้วนะแต่ว่าหัวใจหยุดเต้นก็เลยไม่กล้าจะให้ตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยพร้อมจะให้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อที่เป็นอุปรสรรคต่อการบริจาคอาวัยวะแต่บริจากร่างกายยังไม่เคยมีปัญหาเพราะว่า ตายชัวๆแล้วนะ ก, กะ็พร้อมจะให้ข้อที่หกจัดงานศพแบบไหนอย่างไรนะอันนี้คิดไว้ก็ดีนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันในหมู่ในหมู่ลูกหลานแต่ เ, เพราะ ผู้ป่วยที่หรือผู้ตายที่มีเงินทองเยอะเป็นเศรษฐีหรือมีชื่อเสียงเนี่ยถ้ากว่าตายเนี่ยมันก็มีค่านิยมที่จะจัดงานศพให้สมเกียรติซึ่งบางทีมันก็เปืองเงินสิ้นเปลืองมากอันนี้ไม่เป็แม้กระทั่งพระนะหลวงพ่อขอตำมาหลวงพ่อําเขียนนี่ท่านเขียนไว้เลยนะว่าถ้าเมื่อท่านมรณะภาพเนี่ยไม่ต้องขอพระราชทานเพลิงศพ แล้วก็จัดงานศพภายในสิบห้าวันโอ้สบายมากเลยมันทำให้ลูกศิษย์นี่ไม่ต้องทะเลาะ ก, กันว่าจะไปขอพระทธานเพิ่งศพไหมเพราะว่าท่านเป็นพ่อครูแล้วก็ไม่ลองเทียงกันว่าจะจัดงานศพอ่ากี่เดือนกี่ปีนะท่านบอกแม่กระทังว่าจะสวดอะไรนะสวดธรรมจักรกับสวดพิธรมแปลสองบทเท่า น, นี้พอและท่านย้าเลยนะไม่ต้องทอด้ามงสุกุล เพรเดี๋ยวนี้การทบบาอดบะหมี่สกุลนี่เฟอร์มากนะเดี๋ยวนี้ทอดเป็นร้อยไตรนะโอ้ไปถึงชนบทเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาทอดแค่ไตรเดียวพอเดี๋ยวนี้ทอดหูหลายไตรเพื่ออะไรเพื่อเพื่อรักษาหน้าของญาติหรือรักษาหน้าของแขกที่มาแขกผู้ใหญ่ที่เชิญมาให้คนที่ทอดแล้วคนนั้นไม่ให้ทอดเหรอนะก็ดูมันไม่ให้เกียรติเขาก็ต้องให้คนที่ทอดก็ต้องให้คนที่ทอด แล้วให้คนนั้นีิคนโน้นนี่ยิ่งถ้าผู้ตายเป็นข้าราชการโอโ้โหทอก็เป็นร้อยไตร น, นะเสียเวลาเสียเงินมากแล้วไม่มีสาระเลยหลวงพ่อบอกไม่ต้องทอดเลยนะจบนะการงานศพของหลวงพ่อนี่ยง่ายมากแต่มีสาระนะสวดแปรแล้วก็มีเทศแล้วก็ลูกสิก็ไม่ต้องทะเลาะ ก, กันว่าจะให้จัดแบบไหนเพราะว่า มันยุติดแล้วจากพินัยกรรมของหลวงพ่อข้อที่เจ็ดนะนี่ก็สำคัญนะถ้าเลือกคนไม่ดีไอ้เธอเลือกคนไม่ถูกนะไอท้ที่ไอ้ที่เราตั้งใจไว้หกข้อแรกเนี่ยมันก็จะเป็นหมันโดยพราะข้อที่สี่เนี่ยนะโดยพรข้อที่สี่เนี่ยเช่นเราบอกว่าเราจะไม่ยื้อนะ เราเขียนไว้ในสมุดเบาใจเลยนะว่าจะไม่ยื้อไม่จอกคอไม่สสยท่อนะและถึงเวลาเนี่ยเราอยู่ในริยะทายเนี่ยถ้าตัวท้ายของเราเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่เข้มแข็งไม่มั่นคงนะเขาก็จะอ่อนอ่อนไปตามแรงกดดันจากคนรอบข้างคนรอบข้างก็จะกดดามว่าทําไมพ่อเธอทําไมไม่พาพ่อเธอเข้าโรงพยาบาลทําไมไม่ ไม่ให้พ่อเธอเข้าห้องไอซูนะทำไมเธอไม่กตัญญูกับพ่อไม่กตัญญูกับแม่เลยนะยิ่งพ่อแม่บอกว่าขอตายที่บ้านเนี่ยโหลูกนี่ถ้าไม่เข้มแข็งนี่นะก็ต้องโอนนอนพาพ่อแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปยื้อกันที่นั่นเพราะว่ากระแสะสังคมเนี่ยนะโดยเพราะถ้าพ่อแม่ ผู้ป่วยเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนร่ํารวยเนี่ยแรงกดดันจะเยอะมากอาจารย์พุทธทา น, นีนท่านสั่งเลยนะถ้าท่านเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลนะท่านบอกท่านไม่ต้องการหอบสังขารหนีความตายเขียนเขียนไว้ในะรับคำชับนะแต่สุดท้ายเป็นยังไงไปศิลลราชสี่สิบวันยือ้อแล้วไม่ได้ผลเลยในยขณะอาจาพุทธทาสินะท่านสั่งไว้เลยนะ แต่ว่ากระสสังคมมันแรงมากนะสุดท้ายก็ต้องพาสนโมกต้องพาท่านไปสิริ่าชแล้วไม่ได้ไประโยชน์เลยต้องพาท่านลาภพาท่านกลับนะมาบรณนภะาที่นโมสีสม่สิบวันแห่งความทุกข์ทรมานถ้าถ้าคนป่วยไม่ไม่เด่นไม่ดังก็โชคดีไปถ้าเด่นดังเนี่ยกระแสกดดันจะมีมันจะเยอะหรือว่าถ้าพ่อแม่ร่มรวยเนี่ย หรือไม่ร่ำรวยเนี่ยแต่ว่าเครือญาติเนี่ยหรือว่าคนจีนเนี่ยถ้จ ะ, จะกดดันมากทำไมไม่พาพ่อรื้อไปโรงพยาบาลทาไมไม่ไม่พาเขาเข้าไอซูไม่กระตั น, ย, นยูนะงั้นคนที่เราระบุในข้อเจ็นเนี่ยต้องจะต้องต้องเข้าใจความต้องการของเราหนึ่งและสองอ่ามั่นคงเข้มแข็ง รนะักเรามากพอที่จะยอมยอมถูกคนหนึ่งเขากดดันหรือด่าว่าซึ่งมีไม่มากนะคนแบบนี้ในชื่อของเราแต่ถ้าเลือกได้ก็ดีถ้าถ้ามีก็ดีทั้งหมดเนี่ยจข้อเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราควรจะนึกนะเวลาทำพิณในกรรมหรือเวลาเราเตรียมตัวตายเพราะมันจะช่วยทำให้การตายของเราดี ไม่มีสิ่งกังวลหรือว่าไม่ต้องเจอความทุกข์ทรมานมากคราวนี้เนี่ยข้อที่สี่เนี่ยมันมีรายละเอียดนะส ม, มุดบอดใจเนี่ยนะอยากจะให้เราพวกเราลองอ่านดูนะอาจจะไม่ไม่ต้องทำวันนี้ก็ได้เนี่ยหรือเพราะหน้าที่ห้าเนี่ยหน้าที่ห้าใช่ั้ยหรือหน้าที่เจ็ดมันมีหลายเวอร์ชัน นีไมเนอะน่าน่าที่เจ็ดด้วยไม่ไม่ที่ให้ให้ให้ติ๊กอะเจ็ดนะเอออ่านดูแล้วก็เอ่ อ, อ, อนั่นแหละเนี่ยสําคัญตรงเนี้ไอ้ที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนประกอบเพราะว่าถ้าเราถ้าเราติ๊กแล้วเราลงชื่อเนี่ย มันจะมีได้รับการาได้รับการป้องกันได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายคือสมัยก่อนเนี่ยหมอเนี่ยเขาจะต้องช่วยคนไข้ทุกวิถีทางรวมทั้งการยือ้อถ้าไม่ทำเนี่ยถูกฟ้องอาว่าละเลยหน้าที่แต่ถ้าแต่ถ้าหมอเนี่ยนะเขาไม่ทำเพราะว่าเราเขียนเป็น ล, ลายลักษามอักเราไม่ต้องการหมอจะพ้นผิด จะเล่นงานหมอไม่ได้ญาติฟ้องหมอไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นมาตราสิบสองของพรบสุขภาพเั้นถ้าเกิดว่าเราเราเราเขียนเอาไว้นะชัดเจนอันนี้เป็นเป็นตัวช่วยทําให้เราเนี่ยเลือกได้ว่าเราจะอาเอาไม่เอานะและเราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนได้นะ แล้วก็สําคัญนะใช้เฉพาะเวลาเราอยู่ในระยะท้ายถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดหัวใจวายเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวถ้าหัวใจวายถ้าแอุบัติเหตุเนี่ยนะหมอทุกคนก็ต้องช่วยเราไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะมีโอกาสรอดแต่ผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าตายแน่บางทีก็บอกใช่ผู้ป่วยระยะท้ายหนึ่งเป็นโรคที่รักษ า, ามไม่หายสองอยู่ในระยะลุกลามของโรค สามารถตอบสนองต้อการรักษาคือช่วยยังไงเนี่ยนะไม่รอดเบ้นแต่ปฏิหารซึ่งมีน้อยมากมันใช้เฉพาะกรณีนี้นะหัวใจหยุดเต้นสมองหัวฟาดพื้นไม่เกี่ยวนะอุบัติเหตุไม่เกี่ยวนะนะเพราะนั้นสบายใจได้ว่าโอ้ยนะสบายใจได้ว่าถ้ามันถ้ามันเป็นกรณีที่ฉุกเฉินกระทันหันเนี่ยอันนี้หมอช่วยเต็มที่ อันนี้ก็ไปลองไปไปไปไปอ่านไปติ๊กดูนะแล้วก็มันแก้ไขได้แล้วก็ในความเป็นจริงก็มีคนคข้จุนวไม่น้อยเนี่ยพอพอถึงเวลาที่ป่วยจริงๆเนี่ยเขาเปลี่ยนใจนะกลัวตายขึ้นมาบอกหมอขอให้ปั๊มเลยนะขอให้เจาะท่อไอ้เจาะคอเลยนะก็มีนะธรรมดาไอ้ตอนนี้บอกเอ้ย ฉันไม่ชอบนะแต่พอจะตายขึ้นมาจริงโหขอให้หมอช่วยทุกอย่างนะอันนี้ก็เป็นไปได้นะแต่ในกรณีนะั้นเนี่ยเราทาได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนตัดสินใจเราสื่อสารบอกเราบอกหมอเราเขียนอะไรไปนะแต่ถึงเวลาเนี่ยนะเราเปลี่ยนใจเราบอกหมอหมอก็เชื่อเราเพราะว่าเราหมอต้องฟังเราแต่กรณีนี้สมุดประจัยใช้เวลาที่หนึ่งเราอยู่ในระยะท้ายใช่มสองเราสื่อสารไม่ได้ เราสื่อสารไม่ได้เราไม่สามารถตัดสินใจได้เนี่ยมันถึงจะใช้นะถ้าเรายังสื่อสารได้เราเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อนะและเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนไม่ใช่ไหมลูกหลานก็ทะเลาะ ก, กันมันจะมีเคสแบบนี้อยู่ประจ์นะบอกนะบอกอคนไข้เนี่ยก็ พอหลังจากที่เจาะพอใส่ทชอตไปแล้วเนี่ยแกก็จะพูดว่าเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าบอกแล้วว่าไม่เอาไม่เอาทําไมมาทํากับฉันนะคนไข้หลายคนจะตัดพคอลูกว่าลูกบอกแล้วบอกแล้วนะแต่บอกเนี่ยนะมันไม่มีหลักฐานไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าทําไป็นลายลักษณ์เนี่ยนะ แล้วคุยกัลูกให้รู้เรื่องพินัยกรรมชีวิตเนี่ยหรือมรธมบุตรใจเนี่ยมันจะดีถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเราไม่เก็บเอาไว้คนเดียวอย่ากเก็บใส่ตู้พินัยกรรมนะพินัยกรรมเนี่ยเก็บใส่ตู้ได้นะไม่ต้องบอกลูกนะพินัยกรรมนะพินัยกรรมที่จะมอบสมบัติให้ใครเนี่ยไม่ควรจะบอกลูกเลยนะเ <laughs> ว้นแต่ว่าจะให้ลูกเท่าๆกันนะแต่ถ้าให้ลูกไม่เท่ากันจะไปบอกลูกนะแต่ว่าพินัยกรรมชีวิตเนี่ยต้องบอกลูกนะ บอกลูกบอกครอบครัวบอกพ่อแม่นะเพื่อเขาจะได้ร่วมมือเพราะในเพราะนี่คือเมืองไทยนะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยคุณไม่ต้องบอกใครคุณเขียนไว้แล้วพกไว้ในกระเป๋าหรือว่าสอดไว้ในสมุด ร, ระเบียนแค่นี้พอหมอก็จะฟังเราแต่เมืองไทยเนี่ยหมอฟังใครเขาฟังยากฉั้นถ้าญาติไม่ร่วมมือนะ ญาติไม่โอเคด้วยนะเราเขียนไปยังไงมีเจตนายังไงอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นก็ได้เว้นแต่ว่าหมอเนี่ยเขาเขามัน่นคงเขาพิทักษ์สิทธิของคนไข้เขาจะเขาจะยอมนะยอมแยง้งยอมต้านความต้องการของญาติแต่หมอแบบนี้ในเมืองไทยน้อยนะเพราะหมอไม่อยากมีเรื่องกับญาตินะงนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเรา ตัดสินใจยังไงนะบอกลูกบอกหลานบอกคนรักบอกพ่อแม่บอ ก, อบอกคู่ครองให้เขาเห็นด้วยแล้วเขาก็จะได้ร่วมมือกับเรา ม, มีใครสงสัยไหมเรื่องสมุดบานใจเรื่องพิในกรรมชีวิตแก้ไขไปแก้ไขในนี้นะคะออแก้ได้แก้ไ ด, ได้หรือเขียนเล่มใหม่ก็ได้ตอนนี้มันมีเวอร์ชันใหม่เลยนะอ่ะ สมุบอใจเล่มปกขาวนะแล้วก็เอาความจริงก็ก็ซีลอกเฉพาะ ห, หน้านัา่นแหะหน้าเจ็ดนะนะพกใสก่กระเป๋าไว้นะหรือว่าทําเป็นสมุดทําเป็นสมุดบอใจเล่มเลมเล่มใหม่นะมันจะมีการเล็กๆนะบอกว่าเนี่ยแจ้งว่าเนี่ยเรามีเราได้แสดงเจตจานงเอาไว้ล่วงหน้านะไม่ต้องพกไปทั้งเล่มเนี่ยนะ มันมีมันมีเวอร์ชันไหมละเล่มสมมติเบาใจแต่พวกนี้ให้ดีนะมันต้องต้องต้องเอ่อต้องศึกษาค้นคว้าหน่อยนะเช่นสมมติว่าเราเป็นผักจานอนุญาตให้ให้อาหารไหมนะหมอสันหัสถิรันเนี่ยท่านเขียนแม้กระทั่งว่าไม่ใช่ในกรณีเฉพาะผู้เป่อรยระยะท้ายแม้เป็นผัก เป็นผักเนี่ยไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยนะทั้งท่านอยู่ได้เป็นปีนะแต่ท่านจะบอกไว้เลย ว, ว่าไม่ต้องให้อาหารท่านนะถ้าท่านไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เนี่ยให้ให้ให้ถอนครื่องพยุงชีพนะรวมทั้งขอให้ท่านไปอย่างสงบ คำนี้อาจจะมีความหมายว่าขอให้ฉีดหรือทำอะไรก็ได้ให้ไปเร็วอันนี้บางคนจจนัดเจ้าโซมันไม่ไหวมันอมันไปเกินไปนะเอาแค่ว่ารยาท้ายก็พอวารยาท้ายคัวาตายแน่แต่เป็นผังเนี่ยนะคุณอยู่ได้เป็นปีนะห้าปีสิบปีก็ยังอยู่ได้แต่บางคนบอกว่ามันอยู่แบบไม่มีศักดิ์ศรี่ะนะแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้น ยกเว้นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเป็นผักสิบปีที่มีโอกาสฟื้นนะแต่คนแก่เนี่ยเป็นผังเนี่ยโอกาสฟื้นมันแทบจะไม่มีเลยก็จะยื้อไปจนตายหมอสันนี่ก็บอกเลยหมอสันนี่เป็นหมอใหญ่นะเป็นศาสตราจารย์บอกเลยว่าให้ถอยเครื่องพยุมชีนะก็คือไม่รวมนการไม่ให้ไม่ต้องให้อาหารแต่ว่าพวกเราจะไปไม่ไกลขนาดนั้ น, นะแต่ว่าอย่างเมื่อระยะท้ายเนี่ยน่าจะคิดกันนะ คือมันจะมีโรคหลายอาการนะที่มันทำให้เกิดปัญหาว่าเราจะเราเจ่ายังไงกับตัวเราผักก็ดีนะหรือเพราะโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองเนี่ยอันนี้เราไปหาข้อมูลท้นเติมนะแล้วก็ทำให้ให้ให้ละเอียดมากขึ้นแต่หมอสันเนี่ยสั้นๆเลยของท่านเนี่ยแค่หน้าเดียวที่ในรวมทั้งหมดนะทั้งพี่นายกรรมพีนายกรรมที่มีหน้าเดียวทรัพย์สมบัตินี่บอก ให้ให้ลูกตัดสินใจนะอันนี้เป็นการเขียนพินัยกรรมที่ที่ที่ง่ายมากนะหน้าเดียวสองย่อหน้าเนี่ยรวมหมดทั้งพินันกรรมและพินัยกรรชี้เข้าใจว่าอาจจะเซิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตพินันกรรมของคุณหญิงจำนองสีก็น่าสนใจอันนี้ก็มีอยู่ใน g ูเกิลลองเซิร์ชดูนะคุณหญิงจำลองสีเนี่ยอันนี้เก๋ละเอียดหน่อยคุณหญิงจำนองสีหาญเกลัก มีคําถามอีก่ไหมฮะอาเชิญคุณคิดว่ามีการให้พวกพ่อช่วยอ่ะแต่ถ้าเราเองเสพแล้วเราถอนเอามือเมื่อเราขอเราตายแนะ่เราผิด น, นะครับเจตนาอยู่ที่เจตนาว่าอะไรเจตนาว่าเพื่อให้ตายเร็วหรือเพื่อลดความทุกข์ทรมานแต่ก็มีหลายกรณีนะที่ถอนแล้วก็ไม่ตายเร็วนะ บางที่อยู่ในนานอย่างที่คนไข้ที่ของคนไข้ชาวบ้านที่เรา ม, มาพูดเนี่ยนะพอแกปฏิเสธเครื่องพยุงชีพแกกลับบ้านแกอยู่ได้สองเดือนนะคือแต่ปกติเนี่ยถ้าถ้าหากว่า อ, อยู่ในการแบบที่คุณว่านเนี่ยมันแปลว่ายังไม่ได้อยู่ในระยะท้ายยังจะอยู่ได้อีกนานใช่มานั้นการถอนเนี่ยมันไม่ท้ายคุณตายหรอก ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพวกที่แทบจะไม่มีสติไม่มีความสึกตัวแล้วนะอย่างนั้นเนี่ยถ้าถอดไปเนี่ยก็อาจจะตายแต่ไม่ตายทันทีแล้ว ม, มักจะมีคำถามว่าถ้าถ้าลูกนะถอดท่อตามเจตนาของพ่อแม่พ่อพ่ อ, พอแม่เคยสั่งไว้ว่าฉันไม่เอานะ แต่ว่าด้วยด้วยอะไรก็ตามเนี่ยบอกว่าก็ไปใส่พ่อแม่แล้อย่างพ่อแม่อยากจะขอไปตายที่บ้านพ่อแม่เคยสั่งไว้ถ้าลูกถอนเนี่ยจะเป็นการฆ่าไหมอยู่ที่เจตนาเจตนาเพื่อลดความทุกข์ทรมานอันนี้ไม่บาปแต่ถ้าเจตนาเพื่อให้ตายเร็วเนี่ยบาปครั้นี้เจตนาอย่างเดียวไม่พอต้องมีวิธีด้วยคือทํำยังไงเนี่ย คือแม้เจตนาจะลดความทุกข์ทรมานเนี่ยไม่ได้เจตนาจะฆ่าแต่ถ้าให้ดีก็ต้องแน่ใจว่าถอแล้วเนี่ยยังไม่ตายซึ่งอย่างนี้ก็มีวิธีการถอดเช่นให้คนไข้เนี่ยกินเช่นให้ยานนอนหลับคนไข้มันก็จะไปลดลดการหายใจหรือให้มอร์ฟีนมันจะไปลดมันไปนกดการหายใจทำให้การถอดเนี่ยทาได้ง่าย แล้วก็ไม่ตายกลับไปบ้านอาจจะอยู่ได้สักสองชั่วโมงการตายหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ตายเพราะการถอแต่ตายเพราะว่าเป็นการตายตามธรรมชาติก็คือว่าร่างกายมันไม่ไหวย้ันการถอนเนี่ยสำคัญถอดยังไงไม่ให้ตายทันทีเพราะถ้าตายทันทีมันมีความกังขาไว่า เ, เราฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือเปล่าแม้เราจะไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าความหลังเลสงสัยบันนี้มันก็บรรเทาจิตใจ นั้ทําอะไรก็ได้ที่จะไม่ทําให้เกิดความกังขาแบบนี้ในใจของเราวิธีก็คือว่าถอนแล้วเนี่ยเขายังอยู่ได้พักหนึ่งบางคนอยู่ได้เป็นวันบางคนอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะไอเรื่องการถอนเนี่ยมันไม่ไมแน่หรอก่างที่ไปเลือกตายที่ต่างประเทศโดยไม่างมีตัวเองนั่เป็นการฆ้าเรานะ่ ที่ตอนนี้เริ่มมีบางประเทศรับคนรับคนเพื่อไปเลือกตายคือกรนีแบบนั้นเนี่ย<ม>เขามีเงื่อนไขรัดกลุ่มนะเช่นหนึ่งมีโอกาสที่จะอยู่รอดได้ไม่เกินหกเดือนส่วนใหญ่นะ<ม>เขาจะรับทำให้เนี่ยกับคนไข้ที่หนึ่งปวดทุกข์ทรมานอย่างมากไม่มีทางรักษาสองอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนหรือสาแล้วก็สามก็มีแพทย์อย่างน้อยสองคนเนี่ยรับรอง ไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะไม่ใช่ว่าปวดแล้วจะไปให้ไปให้เขาทําการุญยะฆ่ า, าเนี่ยเขาไม่ได้ทําชี้ซัวนะแต่ว่าในทงางพุทศาสนาเราก็ไม่สนับสนุนนะเพราะมันก็เป็นการใครที่ทําเนี่ยก็มีส่วนในการทําปราติบาหรือถ้าเจ้าตัวทําเองก็เป็นแต่งค่าตัวตายเพราะบางทีเนี่ยเขาให้เจ้าตัวเนี่ยฉีดเองนะ อันนี้เนี่ยมันก็ในทางพุทศาสนาเราก็ไม่สนับสนุนแต่เห็นใจนะคนนี้น่าเห็นใจเพราะว่าเขาทรมานมากแต่ทุกทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกจิตนะเพราะบางคนทรมานแต่เขาคนบางคนเนี่ยมีทุกขเวทนามากแต่เขาเขาอยู่ได้เขาอยู่ความเจ็บปวดได้จนตายมันต้องมีการฝึกนะมันต้องมีการทําใจ แม้ไม่ใช่ว่าปวดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทางออกนะไม่ใช่ว่าปดวดเลยต้องไปเล่นการตายเสมอไปเราสามารถจะอยู่ความอยู่ความปวดได้และส่วนใหญ่เนี่ยทยําการโยกขั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะความปวดทางกายนะส่วนใหญ่เป็นความทุกข์ทางใจรู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระนะอันนี้จากสถิติที่เขาทาในเมืองนอกเนี่ย ไม่ได้เพราะความปวดทุกทรมานจนคนไม่ไหวอันนี้เป็นเรื่องทางกายแต่ส่วนเป็นความทุกข์ทางใจนะเรื่องความทุกข์ทางใจนี่มันก็กแก้ได้นะแต่เรื่องที่ต่อไปจะจะเป็นปัญหามากขึ้นจะเป็นประเด็นมากขึ้นเพราะว่าคนก็จะเจอโรคที่โรคที่แปลกๆที่มารักษาไม่หายแล้วก็มันทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพแล้วจะปวดมากขึ้น เทคโนโลยีก็ยังก้าวหนะ้าไม่ทันพอที่จะรักษา ห, หายได้หรือว่ า, าหรือ่ช่วยลดความทุกข์ทรมานลดความเจ็บปวดนะตัวอย่างหนึ่งคนเดี๋ยวนี้ก็อยากจะตายสงบมากขึ้นแล้วเห็นเห็นการตายในโรงพยาบาลที่เกิดจากการยื้อแล้วเนี่ยเขากลัวแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจเรื่องสุคติเรื่องทุคติเนี่ยก็ ก็จะเลิกวิธีนี้มากขึ้นเรื่องนี้เนี่ยอีกอันหนึ่งที่ต้องคิดต้องที่ต้องที่ต้องเตือนคือว่า อ, อแม้ว่าจะเราจะเขียนพินัยกรรมชีวิตเอาไว้แล้วหรือแม้ว่าเราจะได้คนดูแลที่ยืนหยัดเพื่อเราเนี่ยแต่ว่าไอ้การที่จะไปโรงพยาบาลไหน หรือไปเจอหมอคนไหนก็สําคัญนะมีคุณยายคนหนึ่งแกยุตแปดสิบเจ็ดนะแกก็สั่งหลานโดยเลยนะว่าถ้าคือแกกำลังแกอยู่ในระยะทางแล้วแกก็บอกว่ า, วาเนี่ยอ้วไม่เอานะไอ้เจาะคอใส่ท่อป้าหวัวใจใชอยากระตุ้นความดันผ่าตัดยายฉันไม่เอานะแล้ววันหนึ่งเนี่ยปรกฏ ว, ว่าพอถึงในระยะทางเนี่ยแกหายใจเหนื่อยหอบ มันเป็นอาการธรรมดามันเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับคนระยะท้ายส่วนใหญ่นะคือพอยัยตายมันจะหายใจเหนื่อยหอบนะหลานนี้ไม่รู้ทำไงแม่เตรียมใจไว้เลยรีบพาลงไปพาไปโรงพยาบาลไป emergency ห้อง er เจอหมอหลานก็บอกหมอเนี่ยยายสั่งนะไม่เอาแบบนี้นะหมอโกรธ น, นะหมอบอกว่าถ้าไม่ต้องการให้หมอทำอะไรแล้วพามาทำไมโรงพยาบาลนะ่ะ จริงเขาไม่ได้บอกว่าหมอไม่ต้องทำอะไรนะแค่ไม่ไม่ไมทำสี่อย่างเนี่ยแต่หมอหลายคนนะถ้าไม่ให้ทำสี่อย่างนี้นะไปไม่เป็นนะเ <c oughs> พราะเขถูกเขาถูกสอนมาจากโรงพยาบาลเนี่ยคือถ้าคนไข้เนี่ยหายใจเหนื่อหอบอยู่ในระยะท้ายเนี่ยเจาะคอใส่ท่อทำหัวใจใช้ยอยากกระตุ้นความดันนะทันทีเลยเอไเนี่ยนะต้องทําอย่างเนี้ยพอมอกหมอว่าไม่เอานะสอย่างนี้หมอบอกหมอไปไม่เป็นนะทะเลาะกันเลยนะคนหมอก็บอก คนไข้ามาสั่งหมอได้ยังไงนะร้ะนานก็ไม่ยอมอ่ะนะเถียงกับหมอหมอใหญ่มาพอดีหมอถามาเกิดอะไรขึ้นพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหมอบอกอ๋อไม่ยากต้องการให้หายใจเหนือหอบลดลงใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวให้หมอฟีนให้มอฟีนปุ๊บเนี่ยลดเลยเพราะหมอฟีนมาไปกดการหายใจนะทําให้หายใจเบาลงยายก็อ่า ไม่ทรมานแล้วก็พากลับบ้านถือโชคดีที่เจอหมอใหญ่หมอใหญ่มีประสบการณ์แต่หมอทั่วๆไปเนี่ยไม่เคยเรียนมาไม่เคยมีประสบการณ์เจอคนไข้แบบเนี้ยก็จะใช้สูตรนะเจออาะคอใส่ท่อปั้มหัวใจนะอยากกระตุ้นความดันนะคือหมอเนี่ยเขาไม่ได้เรียนมาเนี่ยทั้งที่มันมีทางเลือกทางออกที่ดีกว่า แต่หมอที่ประสบการณ์ดีเขาเรียนมาเขาจะรู้เลยมันไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้นะแอสไมฟีนนี่ช่วยได้เยอะนะลดการหายใจเหนื่อยหอบไม่ใช่ลดความเจ็บปวดอย่างเดียวนะมันช่วยลดการหายใจเหนื่อยหอบซึ่งหลายคนไข้เหลือคนเนี่ยสามารถจะดำเนินชีวิตตามปกติได้เพราะว่าได้ไมฟีนทำให้ความเจ็บปวดก็น้อยลงไม่หายใจเหนื่อยหอบมันไม่ใช่เป็นยาเสพติดนะ มันถ้าใช้ให้ดีๆเนี่ยมันช่วยลดความทุกข์ทรมานได้อย่าไปรังเกียจมันถ้าใช้เป็นนะาอาเชิญเออชีพทุกวันนี้มาทำบุญอะไรล้วก็จะส่งบุญช่วยให้ลูกบากน้อยหรืออะไรเนี่ยคือลูกเป็นหมอแล้วตอนนี้ที่คุณหมอพูดบอกว่าทางเลือกที่ว่า ให้ไปอย่างสบายลูกก็มารล่าให้แม่วามว่าเขาก็เคยทำให้กับข้าราชการผู้ใหญ่คือเขาทรมานมากเลยมากแล้วก็เรื่องแบบจะไปอย่างสบายซึ่งลูกก็เป็นหมอที่ว่าทำแล้วก็น่าจับมือเขาแล้วก็มีภรรยาเท่าลูกเขามาอยู่ด้วยกันทั้งคืนทังคืนวันนั้นแล้วเ้าไจากไปมาอย่างสะดกโดยไม่เจ็บปวดแม่อะไรและตอนนี้เขาไปเรียนไอ u ยูสมองเขาก็ต้องทาอย่างนี้ ใจคแม่ก็แบบทำทำอะไรอ่ะเป็นห่วงมากว่าเท่ากับว่าเขามากฆ่าคนเียเขาทําอะไรทําทําที่แบบว่าฉีดยาแล้วให้เขาไปอย่างสบายโดยที่ว่าไม่ทรมานคุยกันกับคนไข้คนไข้คุยกับลูกกับหลานกับภรรยานอนกอดขอกันคุยกันหรือว่าจับมือกันจนกว่าจะหลับไปอย่างสบายนะคะและอย่างเนี้ยลูกเนี้ย จะบาปไหมเพราะว่าเท่ากับทำก็ตายก่อนกำหนดอะไรคือ <c oughs> อย่าพูดถึงุพูดถึงบาปนะพูดถึงผิดกฎหมายก่อนนะมันผิดอยู่แล้วละ่ะแต่ในเมืองนอกเายอมถ้าหาวเนี่ไม่ได้อเมริกาไม่ได้ถ้าในในในแมสซาชูเซตสนะก็ะยังไม่ยังไม่อนุ ญ, ญาตให้มีการทำการุญาคาาถ้าโอเรกอนเนี่ยได้บางรัฐเท่านั้นที่อนุ ญ, ญาตได้ทำไม่ได้คืออัตมาเข้าใจคงคงไม่คงไม่ทาคงไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอก เขาทำกันเนี่ยอย่าว um, ่าแต่ผิดอย่าว่าแต่บาปเลยกฎหมายก็ผิดแล้วเขาแล้วถ้าทํากันนะเขาทั้งทำเงียบๆเขาไม่ไม่มาบอกใิงใกล้ครับเพราะเขาเซ็นอนุญาตให้ทําเซ็นไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายจะเซ็นได้ยังไงเซ็นก็เป็นหลักฐานชัดเจนก็ผิดกฎหมายของมันนี่เขาไม่เซ็นกันเราะเซ็นแสดงว่ายอมรับว่าทําผิดกฎหมายของมันนี่เขาไม่เซ็นถ้าเซ็นแสดงว่ามันไม่ผิดกฎหมายอตมมาก็เลยสงสัยว่าคงไม่ได้ทําอย่างนั้นของมันนี่เขาไม่เขาไม่ทำกันนั้นแล้วก็ไม่พูดกัน มันมีนะแต่ก็ไม่พูดมันมีมันจริงๆค่ะรูปก็มาเล่าให้แมยใช่แต่ถ้าถ้าถ้าเซนนะแสดงว่ามันไม่ผิดกฎหมายเ็หรืออะไรแต่ว่าเนี่ยเขาก็ทำมาแล้วว่าแบบอ๋อคือประเทศไทยเนี่ยอ๋อคนนี้เอาเรื่องเอาเรื่องทำมาก่อนนะอ่าคืออยู่ที่เจตนาเจตนาจะให้เขาลดความทุกข์ทรมานอันนี้ก็เบาหน่อยถ้าเจตถ้าเจตนามันถ้าเจตนาเล่นความตายเนี่ยอันนี้บาสนะถ้าเจตนาเล่นความตาย แต่ทำไมไม่คิดนว่าฮาวาร์ดเนี่ยทำอย่างงั้นนะเพราะว่าเขาโปรตโตคอลนี่เขาเขารัด ก, กุ่มมากนะแล้วเขาเวลาใครตายเนี่ยเขาไม่แช่ปล่อยนะเขาตามนะว่าตายเพราะอะไรถ้าตายเพราะฉีดยาเนี่ยเขาเล่นหนักนะเพราะในในในในโรงเรียนแพทย อ, อเมริกาเนี่ยใครตายเนี่ยเขาจะทํ า, าทประชุมเอ็นแอนออออนี่เป็นการประชุมหลังการตายก็จะเช็กว่าตายเพราะอะไรนะแล้วถ้าตายเพระาะไปฉีดยาเนี่ยโอ้โหย หมอนี่ถูกไม่ไม่ไมจเจ้าเขาบอกว่าไม่มีทางารักษาแล้วค่าใช้จ่ายแพงมากอยู่บางแล้วญาติก็เลยให้กับอนุญาตอะไรเนอะธรรมาไม่แน่ใจนะเพราะว่าโอ้โห น, นี้มันในอเมริกาทําไม่ได้เลยธรรมาไม่คิดว่าเป็นการทําการรุกจักค้าเพราะว่าเสี่ยงมากนะแล้วเขาเขาเช็คได้นะว่าตายเพราะอะไรนะเนี่ยารรมะคิดว่า ต้องไปเช็คใดีนะโยมยเพิ่งไปกังวลวิตกมากเพราะว่าอาตมาเชื่อไม่น่าเป็นไปได้นะถ้าว่าเาวันเนะี่ยใช่คุณบัตรนี้ก็ยังแต่จะเป็นว่าเออช่วยทําให้ลดความทุกข์ทรมานเสร็จแล้วก็ ก, ก็ก็ตายเองหรือว่าแต่ไม่น่าเป็นการเร่งความตายเขาไม่ได้แบบว่าเร่งความตายเขาบอกว่ า, ว า, วาตายอย่างไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแล้วก็อย่างหรื อ, อว่า ก่อนตายแล้วลูปภรรยาอยู่พร้อมในห้องนั้นอืมก็อาจจะพยาธิแตียก็ทําให้ตายแบบไม่ทรมานนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นการฉีดยาให้ตายหรืออะไรอโยงอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลนะเพราะว่าธรรมาว่าโวยมากเลยตรงนี้มันมีล้มันคงมันห้าเขาไม่ให้เป็นหมอเนี่ยเละมันเรียนานะตอนนี้ที่หนูเรียนเขามันคงมีรายละเอียดมากกว่านี้นะมันมันมันไม่ทํามาว่า ไม่เชื่อเลยนะว่าหเออไปได้ยากที่จะฉีดให้ตายหรือว่าทําให้ตายโดยเจตนาเข้าไปยังไม่ทนมาเอาก็นั่นแหละความหมายมันใหญวันหนึงเขาบอกสูงมากก็ญาติี่น้องก็ไม่ไม่อยากมันเสียเงินมากจนไม่อยากจะเสียเงินแล้วอะไรอย่างงี้ก็ฝรั่งเขามีทางเลือกคือ palliative care นะมันมีทางเลือกให้เขาเนี่ยเขาไม่ต้องใช้วิธีการรุนจักฆ่าเลยก็ไปเข้า hospice หรือว่าไปอยู่แผนก palliative care ก็จะตายสงบได้เหมือนกัน นะไม่อย่าอย่จเพิ่งไปกังวลนะอาตมาว่าที่เขาพูดเนี่ยคงจะมีรายละเอียดมากกว่า น, นั้นที่ไม่ใช่เป็นการทำให้ตายอย่างที่ยยงเข้าใจเนี่ยนะใช่เรียนถามค่ะว่ า, า, าถ้าสมามติว่าการให้ยาหลักขณะที่ป่วยมากแล้วหลักสติมันก็ไม่มีใช่ไหมคะ ก็ไม่มีก็ต้องเลือกเอาระหว่างระหว่างระหว่างระหว่างหลับไปหรือไม่หลับแต่ว่าเกิดโทสะเพราะความปวดผู้ง่ายต้องเลือกระหว่างโมหะกับโทสะนะโมหะก็คือโมหะคือหลับไปเลยโทสะคือโกรธเพระปวดเนี่ยถ้าธรรมะในแง่ธรรมะนะโมหะแบบนี้ดีกว่าโทสะนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีธรรมะที่จะสู้กับความปวดได้นะยังมีสตินะอะ หลับไปยังดีกว่าอืมอเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นประเด็นใหม่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาขอเข้างน้ำก่อน